นี่มาขึ้นอภินญยยธรรมต่อเลยนะอภิญัยธรรมนี้เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ ง, งนะเียรียกว่ารู้ยิ่งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะรู้ยิ่งสัมมามักมิจฉามักนั่นแหละป้าความเห็นผิดอันบุคคลผู้เห็นชอบย่อมละได้อันหนึ่งแม้อกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่บังเกิดเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาก็ละได้ ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยนั้นผู้ที่มีความเห็นชอบเนี่ยนะอันเห็ น, เ ห, นเห็นเลยอะ่ะละมิจฉาทิฏฐิก่อนทีนี้มิจฉาทิฐิเนี่ยมันก็จะมีบริวารของมันใช่คืออกุศลธรรมทั้งหลายนั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะละมิจฉาทิฐิและก็จะละ อกุศสธรรมทั้งหลายคงตั้งขึ้นอย่างนี้นะว่ามิจฉาทิฏฐิบริวารของมิจฉาทิฏฐิก็คืออกุโสธรรมคําว่าอากุโสธรรมตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงกายทุจริตนะ วจีทุจริตมนโนทุจริตเนี่ยเรียกว่ากุศลธรรมกายทุจริตสามวจีทุจริตสมนโนทุจริตสามนยนะสัมมาทิธฐิเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเข้าไปละมิจฉาทิฐิก่อนถ้าละมิจฉาทิธฐิแล้วอ่ะเท่ากับทำลาย บาปอากุศลทั้งหลายที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นบริขารทีนี้เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะมีกุศลเป็นอเนกที่จะติดตามมา ก, กุศลกุศลธรรมเป็นอเนกคืออะไรกายะสุจริตนั่นเองวจีสุจริตและมโนสุจจริตเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะเจริญขึ้นโดยที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธาน อันนี้เป็นข้อที่1น่านะจะเป็นอย่างนี้ส่วนข้อที่2ก็เปลี่ยนเป็นมิจฉาสังกปะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสัมมาสังกปะแทนก็บอกว่าถ้าสัมมาสังกปะเกิดขึ้นเนี่ยก็ละกําจัดมิจฉาสังกปะถ้ากําจัดมิจฉาสังกปะนะ อกุศลธรรมเป็นอนเนกอะ่ะที่มีมิจฉาสังกปะเป็นปัจจัยก็จะถูกละไปด้วยเห็นไหมสัมมาสังกปะที่เกิดอย่างนี้กุศลธรรมเป็นอนเนกก็จะเกิดขึ้นตามสัมมาสังกปะไปด้วยนี่ในเทอื่นๆก็เหมือนกันนะสัมมาวาจาที่เกิดขึ้นก็จะละมิจฉาวาจาแล้วก็ยังไปละอกุศลทุจริต อย่างอื่นๆที่มีมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยกุศลอันอื่นเป็นอนเนกที่เกิดเกิดเพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยก็บริบูยิ่งขึ้นเนยเพราะนั้นสัมมามัชฌเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยสมัมมตรธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพเพื่อกำจัดบาปอากุศลและบริขารบริวารของบาปอากุศลนั้นๆไปด้วยเนยเพราะนั้นถ้าเรา มีความเห็นถูกอย่างเดียวเนี่ยนะกำจัดบาปอากุศลเนี่ยไปมากกุศลที่ยังไม่เกิดก็จเจริญยิ่งขึ้นถ้ามีสัมมาสังกปะเกิดขึ้นเนี่ยนะความดําริชอบเนี่ยความดําริชอบที่เกิดขึ้นไปกําจัดมิจฉาสังกปะความดําริผิดไปละ บ, บาปอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็กุศลธรรมเป็นอนเนกก็จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสัมมาวาจาอย่างเดียวนะนีตรงๆเลยกําจัด มิจฉาวาจาก่อนและบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกที่มีมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยแล้วก็กุศลเป็นอันมากนะที่เกิดขึ้นเพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยธรรมอื่นๆก็ในยะเดียวกันนะสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยลักษณะเดียวกันหมด ขอให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเกิดเถอะจะไปกําจัดมิจฉามร์กำจัดบาปอากุศลที่มีมิจฉามร์เหล่านั้นเป็นปัจจัยกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นก็จะบริบูรณ์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนข้อเก้าเลยนะว่า ความรู้ผิดอันบุคคลผู้รู้ชอบย่อมละได้สัมมาญาณนะเนี่ยนะครั้งที่แล้วเราบอกว่ามิจฉาญาณนะความรู้ผิดคือรู้ยังไงรู้ผิดรู้วิธีทำอะกุศลเนี่ยชื่อว่ามิจฉาญานะเป็นชื่อของโมหะที่วางแผนเพื่อจะทําอะกุศลเนี่ยนะเราก็นึกว่าฉลาดลนะนะจะไหนได้เป็นโมหะที่วางแผนในการทําบาปอากุศลเรียกว่ามิจฉาญาณนะเนี่ยนะส่วน สัมมาญาณนะคือความรู้ที่ชอบก็คือความรู้ในการประกอบกุศลทัานความรู้ในการประกอบกุศลถ้าเกิดขึ้นก็จะไปละไปกำจัดความรู้ที่ไปประกอบบาปประกอบอกุศลแล้วก็ไปละทุจริตกรรมทั้งหลายบาปอากุศลทั้งหลายทีนี้ถ้าผู้ที่มีความรู้ชอบอย่างนี้กุศลธรรมทั้งหลายก็จะเจริญงอกงามบริบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนข้อสุดท้ายก็คือสัมมาญาณนะเนี่ย ความหลุดพ้นที่ชอบความหลุดพ้นที่ถูกต้องก็ไปละมิฉาวิมุตต์นะนะมิชาวิมุตนนะมมต์ก็คือตัวเองยังไม่บรรลุอ่ะ น, นะยังไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกอะไรแต่ก็สําคัญว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่มีความหลุดพ้นชอบก็จะละไอความหลุดพ้นผิดละบาปอากุศลทั้งหลายที่มีความหลุดพ้นผิดเป็นบริวารกุศลธรรมไม่ใช่น้อยก็ย่อมเจริญบริบูรณ์ยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไป นี่ในธรรมะทั้งสิบข้อเนี่นยนะหลายแห่งท่านชื่นชมว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสาคัญกว่าเพื่อนความเห็นชอบนะถ้ามีความเห็นชอบพึงหวังได้ว่าจาักละความเห็นผิดถ้ามีความเห็นชอบหวังได้ว่าจะมีความดำริชอบจักละมิจฉาสังกัปปะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจก่อนนะนะอยู่ที่ความเข้าใจว่าหรืออยู่ที่ความสาคัญว่า สำคัญว่ามิจชฉชตตะทั้งสิบประการเนี่ยมีโทษไหมถ้ามันเกิดขึ้นแล้วบาปอากุศลอะไรล่ะที่ทพ่วงท้ายมาออเอกนะเพราะในสิบหัวข้อเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีบริวารตามมาบานเช่นถ้ามีมิจฉาทิฏฐินะอกุศลเนี่ยที่เป็นบริบ ร, บริวารนะของมิจฉาทิฏฐิก็เยอะถ้ามิจฉาสังกะปะเกิดนะอกุศลทั้งหลายที่เป็นบริวารของมิจฉาสังกะปะเนี่ยเกิดขึ้นอีกบานเนยสมมติถ้า การไม่วิตกเกิดขึ้นไหมจะไปรักของใครดีเห็นไหมท่าอย่างนี้ไหมและอะไรตามมาอีกอากุศนทั้งหลายที่จะติดตามมาอีกเนี่ยบาลใช่ไหมถ้าพูดพูดมุสาหลอกใครไว้นะยจะต้องคอยแก้ข่าวไหมมิจฉาอากุศลตามมาอีกเยอะแยะเลยถ้าเราไปมิจฉาสังกปะเออมิจฉากามันตานะไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งผิดเอาไว้เนี่ยเช่นไปรักของของใครเอาไว้หรือไปฆ่าสัตว์เอาไว้เนี่ยนะ เราก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนหาบาปอากุศลจะตามมาอีกมากหรือถ้าเพียนในสิ่งที่ไม่ควรเพียนไปเพียนเจริญบาปจเจริญอกุศลเนี่ยนะเราก็จะบาปอากุศลอย่างอื่นก็จะตามมาอีกเนี่ยนะถามว่าเพียนบาปทำไงเพียนที่จะเจริญอกุศล น, นั่นแหละเรียกว่าเพียนผิดเพียรไม่ให้กุศลเกิดชัมวโม่ะโหาความเพียนบายเบียงเพื่อที่จะไม่ต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยนะบายเบียงจะต้องไม่ต้องรักษาศีลเนี่ย ก็มือนก็เพี้ยนเหมือนกันนลที่จะต้องไม่ต้องรักษาเนี่ยนะหาข้อบายเบี่ยงอยู่ตลอดเลยนะหาคาพูดถ้าสมมติท่าไม่เห็นคุณของสัมมาวายามะคือการเจริญกุศลเนี่ยจะทําไงแล้วก็พูดเพี้ยนไม่ดีอ่ะดีก็ไปหาคนไม่ไม่ไม่ดีมาเป็นตัวอย่างเลยซ้ําไปความเพี้ยนใความเพี้ยนนี่บางทีบางครั้งไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นความเพี้ยน แต่ว่ามันเป็นเพียนโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอสมมุติว่าเราไปทํมารยาทิกสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องคอยพยายามคิดเพียนแก้ตัวคอยแก้ตัวแล้วมันจะต้องจาไว้สิ่งที่เราทำผิดนั่นเอาไว้เพื่อที่ว่าเผื่อใครถามเราจะได้แก่จะได้แก้ให้มันตรงล็อกเดียวกันความผิดทั้งเดียวนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่มาลาตึงกับติดของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องเพียนอย่างนี้แหละครับเพียนทุกวัน ก็ S 1> <S 1> สมัยที่สมมตินเราไปลักสตังแม่นะอันนี้มิจฉากรมมันตาก่อนลนะลักสตังเสร็จแม่ถามก็มูสานนี้ทีนี้ก็คอยคิดไอ้จำไอ้คำที่มูสาไว้ว่าครั้งหลังจะได้มูสาตามแนวเดียวกันได้จะได้ไม่ขัดกันเองอันน้ ก, ก็บาปอาคุณสนเนี่ยตามมาบาลเลสมัยก่อนเนี่ยประจำมาเด็กๆันนะตัวเล็กๆเกนี่ยลักสตังหรือไปลักไอ้หนังยืดแม่เนี่ย รักเสร็จแล้วก็คอยแก้ตัวอยู่อย่างเนี้ยตลอดมูสาหลอกแม่ไว้เนี่ยนะกอน็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดนะบาปอย่างอื่นตามมา้าไม่บ้านเลยแล้วก็เครียดตลอดอนะนะมันไม่มีความสุขอะไรหรอกเนี่ยนะมีแก้ตัวเป็นคนมีแผลเขาว่างั้นนะ น, น, นะอ๋ออืมนะอืมนะไม้นู่นแม่พ่อเม่ตันีมากนะไม่ค่อยให้หรอกนะยังไะ คือเอาไปเล่นไงหนังยืดหนะังรัดของเนะี่ยแต่วงใหญ่ๆหน่อยนะสมัยเด็กๆ เ, เขาจะชอบเล่นอันนั้นอนะ่ะมันก็เครื่องเล่นมันมีเท่านั้นนะอ่ะตามชนบทเนี่ยนะแล้วก็กล้ยทาลักครั้งเดียวแนละ้วที่เหลือจะมูสาตามมาแล้วมึงเห็นไหมไม่เห็นเริ่มมูสาแล้วมันจะอยู่ที่ไหนอ่ะนะก็เริ่มนะ แล้วก็หลอกไปหลอกเขาก็รู้อะนะจริงแต่เขาก็เห็นอั น, นี้เราก็าก็รู้อะแต่ว่าในท่าถ้ามิจฉาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วมันจะตามมาอีกนะอย่างเช่นเราไปโกรธอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราบอกไม่โกรธไงนะมันจะต้องหาคํามาคอยแก้ตัวไว้ตัวเองตลอดเยหาคํากล่อมกล่อมคอยแก้ตัวกลอยอะไรไปนะซึ่งจะต่างจากพวกสัมมาทั้งหลายแหละถ้ามีความเข้าใจถูกหนึ่งไม่ต้อง ไม่ต้องมาคอยปกปักรักษาด้วยนะอ้าวผมก็เป็นอย่างนั้นน่ะสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเป็นต้นนะถ้าประพฤติถูกนะไม่ต้องคอยระวังไม่ไม่ต้องเป็นวัวสันหลังวะอะไรแต่ถ้าไปประพฤติผิดเนี่ยโอโส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนละคอยปกปักรักษาคอยเกลียก้ยคอยหลอกคอยอะไรอยู่เรื่อยเนี่ยนะนี่ ธรรมะทั้ง10ประการที่กล่าวไปเนี่ย น, นิชราวัตถุสิบเนี่ยธรรมะที่เพื่อกําจัดบาปอากุศลและธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องควรเจริญให้มากพูดถึงไอ้สัมมาสังกัปปะเอ้ขอไปสัมมากรัมรมันตะหน่อยนีสมมุติถ้าเราไปทําปานาติบาสมาเนี่ยเราก็จะมีเหตุผลมาคอยอ้างไงที่เราต้องทำเนี่ยเพราะอะไรบาปอากุศลมันตามมาอีกบานเลยนะคือจะพูดว่าปานาติบาที่ทําไปไม่ผิด เนี่ยนะพราะฉะนั้นจะต้องไอ้แคะอกุศลอย่างอื่นเนี่ยตามมาอีกบานคนที่ไปทำอธินาทานเหมือนกันก็ต้องหาเหตุผลมาบอกว่ามันไม่ผิดเนี่ยนะไปทำกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมาสักาไหร่อันผู้ที่ทำทุจริตกรรมเนี่ยนะมันตามด้วยบาปอย่างอื่นอีกมากแต่ถ้าทำสุจริตกรรมเนี่ยกุศลอย่างอื่นจะตามมาอีกบานเคยตำหนีตัวเองไหมพ่อรักษาศีลเนี่ยมี เนี่ยพอเรารักษาศีลแท้ๆเราจรึงไม่ได้ลาบสาการะอันนู้นอันนี้พรอเราจรึงตกต่ำต่ำต้อยอยู่ทุกวันก็เพราะศีลเนี่ยนะมีตำหนิอย่างนี้ไหมมีมีแต่เสียใจวันนี้เพราะไม่รักษาศีลมีน้าต้องเสียใจวันนี้นี่แหละเพราะไม่มีได้ทําบุญไว้เนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้นั้นกุศลศีลเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเห็นๆ เ, เลยก็ต้องไม่เดือดร้อนใจก่อนนะนนี้เห็นชัด ถ้ายิ่งตลอดจนถึงบำเพ็ญจนถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนะถ้าผู้ใดบำเพ็ญจนถึงศีลที่เกิดร่วมกับมรรคผลด้วยยิ่งไม่มีอะไรข้อตำหนิตัวเองเลยนะก็ทำได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างแท้จริงส่วนธรรมะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยควรทำให้แจ้งอันนี้ก็เป็นอาเซขธรรมคือธรรมของพระอเสขะคือธรรมะของพระทหารสิบข้อนั่นเองอ น, นะความเห็นชอบความลำรีชอบเจรจาชอบการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งมั่นชอบความรู้ชอบความหลุดพ้นชอบที่เป็นของพระเสขเนี่ยนะนั้นข้อแรกข้อหนึ่งข้อสองเป็นปัญญาขันเป็นปัญญาขันของพระเสขสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนี่เป็นอะไรขันสีละขันศีลขันของพระเสขะ ส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรอ่า น, นะสมาธิขันส่วนความรู้ชอบก็เป็นวิมุตติขันเนี่ยนะเอาเข้อไปเป็นวิมุตติยานทัศน์ขันเนี่ยนะวิมุตติยานทัศนะส่วนข้อสุดท้ายก็หลุดพ้นชอบก็วิมุตติขันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือ จะย่อเป็นธรรมขันห้าก็ได้วสีละขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันวิมุติญาณทัศนาขันอันเป็นของพระอเสขานี่นายหนึ่งอีกนายหนึ่งจะเรียกว่าอย่างเช่นความเห็นชอบความดําริชอบอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาก็ได้นะตั้งแต่เจรจาชอบไปจนถึงตั้งมั่นชอบอันนี้เป็นสมถะเเรียกว่าพิจารณาโดยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ย อันอาเสขาธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ท่านะฉ น, นัน้นผู้ที่มีคุณธรรมสิบประการเหล่านี้เนี่ยนะจึงเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติดีด้วยกายจริงๆปฏิบัติดีด้วยวาจาจริงๆปฏิบัติดีทางใจจริงๆปฏิบัติดีทางความรู้สึกความนึกคิดความเห็นไม่มีบาปอกุศลเนี่ยแปดเปื้อนเลยอาเสขาธรรมเนี่ยนะอาเสขาธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับเซขาธรรมใช่ไหม เสขาธรรมคือธรรมของผู้ที่ยังต้องศึกษาส่วนอ่เสขาธรรมคือธรรมะของผู้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยนะยังพูดถึงเสขะเสขาเนี่ยนะการศึกษาในจุลนิเทศเ อ, อ, อชิตะมานวกะปัญหานิเทศที่พูดถึงคําว่าสิกขาเนี่ยนะ ก็บอกว่าเพราะเหตุไรจึงเรียกว่าพระเสขะคือถ้าเราจะรู้จักพระอาเสขะเนี่ยต้องรู้จักพระเสขะก่อนเขาก็มีพระเถระบางท่านแปลอาเสขะว่าธรรมะของคนขี้เกียจขี้คล้านคนไม่ต้องศึกษาเขาบอกนั้นแปลเสียเลยเนี่ยนะมีมอเอาก็บวชนานเขาก็ให้เป็นอยู่แล้วเถระแล้วลคนยังเสกท่านเป็นท้าวรหารด้วยเนี่ยแต่ก็แปลอาเสขะว่าโหธรรมของคนขี้เกียจขี้คล้านว่านั้น นิดอะไรใหญ่ขนาดนั้นบอกว่านิดช้างตัวาใบบัวไปปิดไว้บอกว่านิดนะเอาของผ้าอาหารไปบอกเป็นของคนมีกิเลสเฉยเลยลอ่ถ้าเราจะเข้าใจอาเสขาต้องรู้จักพระเสขาก่อนคืออย่างนี้นะว่าคนที่ศึกษาจบกับคนไม่ได้ศึกษานี่เหมือนกันไหมไ ม, ไม่เหมือนสมมติว่าพระเสขะคือผู้กำลังศึกษาอาเสขะผู้ศึกษาจบแล้ว พวกเนวเสขานาเสขะอันนี้พวกนี้คนละเรื่องกันเลยนะแต่เอาอเสขะเขาเรียนจบกับคนไม่ได้เรียนเนี่ยมันแตกต่างกันทั้งคู่อยู่เหมือนกันอยู่เฉยเฉยเหมือนกันเนี่ยนะร่างกายเนี่ยอยู่เฉยเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งอยู่แบบคนจบแล้วอีกคนหนึ่งอยู่แบบไม่มีความรู้เนี่ยต่างกันทั้งสามเราเนี่ก็ต่างกันอยู่แล้วโอ้สามกลุ่มเนี่ต่างกันมากเจอจนบางแต่เราจะรู้จักพระเสขาเนี่ยก็ด้วยการเอาเสขามาเปรียบคําว่าเสขานี่เป็นอย่างไรบอกว่า เพราะยังต้องศึกษาต่อไปถามว่าศึกษาอะไรศึกษาอธิศีลแลศึกขาบ้างศึกษ า, าที่จิตตะศิขาบ้างศึกษ า, าที่ปัญญาศิกขาบ้างก็อธิศีลและศึกษาเป็นไงพิสูจนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมท า, านศึกษาในอยู่ในศิกษาบททั้งหลายศีลขันแม้เล็กศีลขันแม้ใหญ่ศี ล, ลเป็นที่พึ่ง นะนะศีนี่เป็นที่พึ่งเนียเป็นเครื่องกั้นเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นประมุขเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเี่ยศีนี่เป็นเป็นประมุขของกุศลก็ได้ศีนี่เป็นประธานแห่งกุศลทั้งมวลก็ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าอธิศีละศิขาอธิจิตศิกขาเป็นชฉนพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้สงัดจากกรามทั้งหลายสงัดจากกุศลธรรมบรรลุปถมวชาน มีวิตก ว, วิจารณ์ปีติดสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยาชานบรรลุตาติยาชานบรรลุจตุทชานนี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาฝันชาญสี่เรียกว่าอธิจิตตสิกขาอังคายที่กําลังเพียรพยายามในการเจริญชาญอยู่ก็เรียกว่าบําเพ็ญอธิจิตตสิกขาคือทําจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนอธิปัญญาสิกขาเป็นไนะภิสูจนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ อันเป็นอริยะเป็นเครื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนะเห็ น, นความเกิดความดับนะขันห้าเกิดโดยอาการเท่าไรพ่เลวันอะยี่สิบห้านะวันเสาร์ที่แล้วตอบยี่สิ้ามาวันเสาร์นี้ตอบผ้าไม่ได้ต้องตอบยี่สิบห้เหมือนเดิมนะถ้าดับก็ดับโดยอาการยี่สห้าสรุปขันห้าเกิดดับโดยอาการห้สิบเนี่ยนะรายละเอียดในปฏิสัมพิธา ม, มักนะอุทยพ ย, ายาัญญาบอกว่าผู้ที่รู้ความเกิด ถ้ารู้ความเกิดถ้ารู้สัจจะอะไรอรู้ความเกิดก็รู้สมุทัยสัจถ้ารู้ความดับรู้นิโรสัจจะรู้นิโรสัจจะเห็นะหความเกิดหมายถึงสมุทัยความดับหมายถึงนิโรสัจจะรู้ความเกิดละทิฐิอะไรรู้ความเกิดละอุเฉททิฐิรู้ความดับละสัตตทิฐิเนี่ยนะนี้ถ้ารู้ความเกิด เท่ากับรู้อะไรรู้โดยตรายักษณ์นะรู้อะไรรู้อนัตตลักษณะถ้าเห็นความดับก็ความเกิดความดับนี่แบ่งเป็นสองกลุ่มนะเกิดโดยปัจจัยถ้ารู้ความเกิดความดับโดยปัจจัยเรียกว่ารู้อนัตตลักษณะถ้ารู้ความเกิดความดับโดยขณะเรียกว่ารู้ทุกขลักษณะนี่นะถ้ารู้ความเกิดเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมถ้ารู้ความดับเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทโดย ปฏิโลมเนะี่ยนะก็คือการรู้อริยสัจนั่นเองนั้นคําว่าความเกิดความดับนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอธิบายได้เกือบทุกเรื่องอธิบายเรื่องการละกิเลส ก, ก็ได้อธิบายเรื่องอริยสัจก็ได้อธิบายเรื่องละมิจฉาทิฏฐิก็ได้อธิบายเรื่องไตรลักษณ์ก็ได้อธิบายเรื่องโดยปัจจัยก็ได้โดยขณะก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นะ <c oughs> ผู้ที่ อ, อบรมมาที่ปัญญาสิกขาก็คือการมีปัญญาพิจารณาความเกิดและ ความดับนั่นเองไงนะ